สิ่งสำคัญคือสภาวะธรรมนั้นไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันสัมพันธ์กันได้อย่างไรสิงหนึแต่ความรู้ที่เกิดกับพระพุทธองค์หรือผู้รู้นั้นเกิดจายการตรัสรู้ไม่ได้เกิดจากการคิดสะสมข้อรู้นะโดยวิธีตรรกะหรือ a n a l y ิ i c ภาษาอังกฤษจะใช้คํานี้นะครับซึ่งนักพิจารณาถนัดที่สะใช้ลงยื่นเรื่องหนึ่งให้กับนักพิจารณาเขาจะคิดออกมาอย่างลึกซึ้งทีเดียวการศึกษาเป็นกรณีครับถ้าทําอย่างนี้นะอย่างดีที่สุดก็กลายเป็นจิตวิทยาเท่านั้น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 คนก่อนหน้าพุทธการนี่เขาก็ปฏิบัติกันอยู่นะแต่วันที่พระเจ้าประสบคยานที่เรียกว่ายานเดียวนะครับผ่านช่วขณะติตเดียว น, นี้เป็นเรื่องยานมากครับพวกเราส่วนใหญ่ผ่านโรงเรียนหรือระดับมหาลัยมาบ้างแล้วนะครับเราถนัดการสะสมข้อรู้เราเรียนรู้แบบสังสมสัฟฟรงได้คำกราดดวลคือพัฒนาทีละขั้นทีละตอนเหมือนว่าชั้นปหนึ 1, ่งปสองปสี่ก็รู้รู้มากกว่าปหนึ่งสี่เท่าอะไรองนี้ย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 คนที่บวชใหม่นะครับท่าน ส, สังพรปริยายกหวยหลางเตือนพระภิกษุลูกศิษย์ท่านว่าถ้าเธอผู้เดินทางทางนี้แล้วเนี่ยอยมินคนมาใหม่เป็นกงคิดว่าโอ้นี่เพิ่งเรียนชั้นประถมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเด็กบางคนโดยธรรมชาติของเขาหรือว่ามองในแง่ลี้ลับผ่านทางภบชาติก็ได้นะครับเด็กบางคนเกิดมามีอารมณ์น้อยจิตใจดีงามนะมีสติยเยี่ยน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 สภาวารรมทั้งหมดทั้งสิ้นภายในชั่วขณะจิตเดียวได้โดยหลักชั้นสูงแล้วนะอริยสัจสี่นั้นผู้ที่บรรลุอริยสัจสี่เห็นือสีเห็นภายในจิตเดียวครับลองไปค้นดูถ้าเชื่อมั่นในตํารานะผมคิดว่าสิ่งนี้แม้ไม่อิงบนตารานะครับคนผู้ไม่รู้มีความรู้อะไรเลยเป็นชาวไร่าชาวสวนสามารถเข้าใจชีวิตได้เหนือกว่ารัฐมนตรีคนมันนอกคอกนาเนี่ยครับเพราะว่าจิต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 ไม่มีอะไรเจือปนเลยธาดแท้ของมนุษย์จิตใจของมนุษย์มีทาดรู้เป็นแก้วประจำประจำใจของเราครับทิเบตจะมีบทมนตราที่สําคัญนะครับโอมมณีปัตเมหูข อ, อน้อมน้อมแต่ดวงมณีที่อยู่ในดอกโบวใจของเราเป็นเท่าคำที่จงและลึกซึ้งมากนะฮะแต่แม้กระนั้นชาวทิเบตก็งมงายเอามาใา้เป็นเวทมนต์คาถากันดีกันสาบไว้ตามเรื่องครับไอ้นั้นอันนี้อีกเรื่องนึง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 จะเลื่อนสี่ใบเราคิดว่าเห็นความคิดไปแล้วโอ้โหที่ไหนได้ครับเหมือนกับลังโจรเลยครับหมายควาว่าก่อนหน้าที่เราจะดูจิตเนี่ยเราสึกือลองสบายดีไม่มีอะไรแต่พอดูเข้าไม่น่าเชื่อแล้วมันมากมายถึงขนาด น, นั้นมันเป็นบ้าครับเฉพาะประการที่มันสบัดแล้วเป็นบ้าคุมไม่อยู่บังคับบัญชาก็ไม่ได้ถ้าเปรียบทําไมเป็นอย่างนั้นครับทำไมเราปฏิบัติธรรมแล้วจึงจึงเห็นไอ้ลังโจรมากขึ้นแทนที่จะน้อยลง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 แต่จุดเริ่มต้นจริงคืงเอเผชิญหน้าตัวเองอาจจะต้องตั้งคำถามแต่อย่านานนักครับเมื่อความหวังวาดโครงการว่าดได้ก็แต่ยานานนะัมันจะเสียแรงเปล่าตั้งคำถามว่าทําไมเราจึงเป็นธาตความคิดมันเริ่มระดมสังเกตเข้าไปข้างในแต่ในขณะนั้นความคิดก็ยังตอบโต้แต่เราอย่างรุนแรง แต่ถ้าไม่ถอยผมใช้คําคนี้นะครับถ้าเอาชีวิตเดิมพันคำว่าเป็นเดิมพันไม่จะเป็นตะโกนหัวออกบวชนะคผมขอโทษด้วยที่พูดตรงๆนะคำว่าเดิมพันคือเอาความจริงใจครับมาเป็นต้นทุนเลยคนระับคือเราปรารถนาจะพ้นทุกคําถามถัดมาคือเราอยากคนทุกจริงหรือเปล่าศาสนาของพระเจ้านี่ท้าทายคนอยากคนทุกเนะี่แต่ไม่ไม่เล่นด้วยคนอยากมีนิดเลย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 ที่เขาปัน้นพระเจ้องค์แล้วก็มีเรือนแก้วคลอกเป่งลังสีจะไปที่พุทธชินราชที่สุโลบจะเห็นเรือนแก้วนะเรือนคือบ้านนะครับที่เห็นเป็นที่ที่ยังคือจัว่วมันเกิดเป็นซุ้มเรือนแก้วคุ้มครองจากฝนจากฝนของอาสวะต่างๆเกิดซุ้มเรือนโพเรือนแก้วขึ้นมาในตัวเองทั้งหมดนี้ครับเป็นอยู่ในเราไม่อาจเกิดจากการไปว ว, วอนขอครูบาอาจารย์ช่วยหน่อย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 แต่ว่ามีบางคนมีอุลไา้ชอบท้าทายนะยิ่งยากยิ่งดีได้ลองมาสักตั้งหนึ่งไหมว่าอะนั่นนะฮะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าขนาดี่กำลังนั่งบนโซฟานอนบนเตียงหรือถูกพื้นล้างจานอยู่ถ้าว่าระบบการดารงอยู่วันต่อวันเราได้เคลื่อนย้ายจากระบบตะ ก, กะระบบตรึกระบบคิด ค้นในหัวสมองเรามาสู่ระบบสัมผัสอาจจะสัมผัสเป็นกรณีอยู่เช่นมือโดนน้ำเย็นๆนะครับหรือลมพัดวู้มมาหรืออากาศร้อนหรือเสื้อผ้าที่สัมผัสเราเคลื่อนการก็สัมผัสขึ้นมานถ้าว่าเกิดการเคลื่อนย้ายสมบูรณ์ดีมาอยู่ที่ระบบสัมผัสนี้แล้วนะครับชื่อว่าเรากำลังออกติดตามรอยฝ่าประบาทของพระพุทธองค์ไปติดๆครับผมคิดว่านี่เป็นบุญกุศล บุญกุนี้ไม่ต้องการคํารับรองจากพระหรือจากใครเพียงนั้นเองด้ยินเพนื่อนี้ครับคนโบราณพวกเราเป็นบุญตัวเนี่ยผมอายุมากคอที่รับฟังทันคนบราณก็อาบน้ําที่บอ่อน้ําวัดก็เอาผากามาที่บิดแห้งแล้วฟาดในแขรงเกลียงเออเป็นบุญตัวจริงๆเขารู้สึกตัวขึ้นมานะครับร่างกายนี้เป็นแหล่งบุญอย่าไปทําลายมันมันจะกลายเป็นบ่อกครับข อ, ข อ, อยุติเท่านี้ครับถ้ามีคําถามก็ได้ คแสามมาดง ค, ความที่เห็นนั้วาม่ได้ช้านเลยความจริงเรื่องผู้ที่พยาย า, ามิบ่จะแข็งคิดเนี่ยว่าไม่คิดปัญญาถึงความไม่คิดเนี่ยเป็นความสุขบางครั้งคนที่ดําเนินชีวิตอย่างเนี้ยเป็นคนที่คิดมากที่สุดกลายเป็นคนที่คิดมากจะแสวงห า, ท, างที่ทํำยังไงถึงไม่คิดควาจริงเรื่องปริยัติบัญญัตินั้นนะฮะ มันก็คงจะเข้าใจแล้วมันก็หาความความเป็นมะม่วงได้ทีงไหนแต่ท่านไป็นแงเด็กกับผู้ใหญ่จะถามว่าใครเนี่ยรู้จรงิงหมดกันแล้วก็อาจจะพูดกับผู้ใหญ่ในรู้เพราะไปปลูกแล้วมันก็เป็นต้นมอสต้นไม้ต้นมะม่วงขึ้นต้นใจขึ้นมาแต่คนที่พูดจริงที่สุดคือเด็ดขณะนั้นรู้จริงที่สุดถ้าไปคิดถึงว่าตอนอนาคตเนี่ยมันยังไม่จริงผู้ใหญ่ น, น, นั้นวิญญาณที่มัยังไม่เป็นความจริงแต่พูดเรื่องจริงพูดถึงสิ่งที่มันจะเป็นจริงแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่จริง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 พราะฉะนนเรียนปริญญาตเราจะเห็นว่าเรียนไปเรียนมาเนี่ยมันติดปริญญาก็เป็นเหยื่อของคนที่ไม่ได้เรียนปริญญาตปริมาตรนะครับเพราะตัวเองคงจะไม่ได้เรียนํานองนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงแล้วองใตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าว่าเรามาเออเรามีเราเรารู้เราเห็นถ้าเรายังมีเรานี่มันบัญญัติที่เราตัดไปแล้วก็เหลือแต่รู้แต่ความจริงรู้นั่นแหละก็ไม่มีเจ้าคำที่บอกว่ามีเหมือนไม่มีอันนี้ถูก แต่ยังคิดนะฮะเพราะตอนมันมีแล้วมันรู้ว่ามันไม่มีเนี่ยเพราะขนาดที่ไม่มีจึงรู้ว่ามันไม่มีแล้วไปคิดว่าก่อนนั้นมันมีตรงนี้คิดหนึ่งคิดสูงมันไปอีกว่าความจริงมันไม่มีมันถึงมามีนี่ก็คิดอีกความจริงมีก็บอกว่ามีขนาดนั้นไม่มีก็บอกว่าไม่มีขนาดนั้นไม่ต้องคิดนฮะถ้าไปสรุปว่าความจริงมันไม่มีแต่มันมีนะไอ้นี่คิดนะ ตองที่ผมมีก็บอกว่าไม่มีเอ๊ะบอกว่ามีเท่านั้นนะฮะไม่ต้องว่ามันไม่มีขณะที่ถึงความไม่มีมันดับไปก็บอกมันไม่มีแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นไม่มีนะมันไม่มีตอนเนี้ยมันไม่มีนี่คือไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องรู้รู้ตอนนี้ขนาดนี้มันเป็นจริงจิงแต่ถ้าบอกว่าไม่มีไปรู้ต้องไม่มีเนี่ยแล้วบอกว่าทันทีมันมีนะนี่คิดครับไปคิดอดีตว่ามันเคยมีแต่มันก็เป็นสัจจะอยู่ดีแต่ถ้ารู้แต่ไม่คิดอะไรไม่ต้องอะไรนะฮะนี้ก็มีตอนเนี้ยมี เสียงมือในทูต ม, มีตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่เล <c oughs> ก็รู้เนี่ยคือรู้แต่ไม่ต้องคิดแต่ความว่าคิดในภาษาไทยอาจารย์พิจารณาอย่างที่ว่าความจริงที่ว่าอนุแจงทุกขังที่บอกมหายาณว่าเออเนี่ยเป็นคําพูดนะพระเจ้าบัญญตัติถ้าเห็นจริงๆริงเน่ยไม่ต้องพูดถึงอ น, นิแจงทุกขังอนัตตาเห็นแต่เกิดและดับมีแลไ้ไม่มีมีไม่มีก็มีแต่มื่ขึ้นมาใหม่เราเป็นปัจจุบันไม่ใช่มีของอันแรกนะฮะตอนนี้มีอดับแล้วไม่มีเห็นแค่มีครับ แต่พิจารณาว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรผู้ใจเห็นประโยชน์ว่าไปเห็นว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่ตัจริงเนี่ยนี้เราไม่มีมันตั้งมาอยู่เห็นทุกข์เป็นโทษแล้วทํางไงอ่ะไมคนรยึดถือเลยจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายรู้ว่ามีแต่ตัวรู้และวางเฉยในความรู้ไม่มีสมมตุติไม่มีปัจจรมัดแม้แต่ตัวรู้ก็ยังเป็น ส, สิ่งที่ไม่มีสาระด้วยเพราะมักก็ครั้งเดียวก็ดับไม่มีอะไรเลย ที่เราไม่ต้องพูดอะไรนะฮะไม่ต้องมาไปพบไปผููรู้ได้ใช่ไหมฮะจริงๆเราตอนนั้นก็รู้มันก็สงบัากนั้นไม่มีบัญญตัติไม่มีปรมัตทันมาอยู่ในอารมณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเลยม่จะพูดอะไรว่าถึงตอนนั้นใช่ไหมฮะในโฟร์ว่าผมเห็นว่านี่เห็นไหมฮะเห็นแต่ไม่ได้เห็นอะไรเลยก็ทุกที่เราเนี่ยครับเห็นครับแต่ไม่เห็นอะไรเลยมือ อุบาสกคนหนึ่งนะครับเจ็บป่วยอุบาสกคนนั้นเป็นเป็นผู้รู้ธรรมะพูเจ้าส่งสาวกไปเยี่ยมแต่ะองค์ก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่สามารถปรากรมอุบาสกคนนั้นได้เลยตานนนก็ไม่กลาวสาริบุตรว่านี่เป็นคำพีหวานมาใาญวิ ม, มลเกียรติที่เท่สุดผมชอบมากๆในที่สุดก็มาถึงโอโลเตสนครับ หรือมันจุสีผมจำไม่แม่นนะก็โตธรรมะกันในเรื่องปรมัติ์เรื่องสมมติอะไรเหล่านี้ในสุดวิมลเกียรติพระราชนาให้พูดเรื่องพระนิพพานพระโพิสัตถ์ก็บอกว่าพระนิพพานนั้นพูดไม่ได้แต่ถึงตาวิมลเกียรตวิมลเกียรติลูกนี้ให้หุบ ป, ปากนิ่งเลยู พูดไม่ได้ก็ไม่พูดผุปากนี่นะนั้นมีคำกล่าวในการเผยแผร่ธรรมชั้นสุดยอดนีครับเผยแผร่โดยการไม่พูดซึ่งความดูแล้วมันมันค่ายเลรั ว, วาซึ่งไม่ค่อยคุ้นเคยกับโบหารเช่นนี้นะครับเราอาศัยแจกแจงเป็นสมมติเป็นปรมัติเพื่อเป็นประโยชน์เบื้องต้นครับ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 ซึ่งผมเชื่อต่อจากนั้นพระเจ้าท่านเริ่มลําดับสมมุติสัจจะขึ้นมาเพื่อให้ตายเต้าไปเพื่อล่อดวงจิตให้ตาขึ้นไปที่นิดทีนี้แล้วเพื่อไปรู้เองครับนั้นสมมุติก็เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่นะครับพุทธศาสนาแบ่งสัจจะว่ายสองสมมติสัจจะและปรมาสุาิสัจจะปรมัตุิสัจจานั้นเป็นสิ่งที่เป็นปจัดปัจจุบานที่เข้าถึงด้วยตัวองตัวเอง แต่สมมุตินั้นมีคนนำทางได้ครับเช่นสมมุติเรื่องขันห้าบางคนอาจจะค้านนะครับว่าขันห้านี่เป็นประมัดจริงขันห้าเป็นเกณฑ์ที่พระเจ้าวางขึ้นนะครับเปรียบเหมือนเส้นลุงเส้นแหวงซึ่งไม่มีอยู่จริงในโลกนี้แต่ถ้าเรือลําหนึ่งเอออับปางขึ้นมาก็าสามารถส่งข่าวตําแหน่งแห่งคนนั้นได้และจะช่วยทันไม่ทันเรือจมหรืออับปางลง สมมตินั้นมีประโยชน์มหาศาลนะนะเส้นลุงเส้นแหวงทั้งๆจริงๆมันไม่มีในโลกนี้ครับสมมติขันห้าเหมือนกันนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารญญนิยาณเป็ที่ตกเสียงกันว่ารูปขอบเขตทันเพียงใดร่างกายนี้หรือไม่คํานิยามของท่านคือสิ่งที่เห็นด้วยจับจุ๊พระทิศเนี่ครับคือรูปอาคารนั้นเรือนร่างของมนุษย์คือจักรวาลทั้งหมดครับนี่นิยามที่กว้างใหญ่โตมโหาาล ธาตดินน้ำไฟลมในตัวเราไม่ได้แยกจากโลกและเทววัตถุในจักรวาล น, นี้เลยเวทนาสัญญาสังขารยิญญาไหครับพูดไปแล้วขันห้าคือจักรวาลทั้งหมด <Yeah. S 1> โดยการแบ่งนิยามนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้คนเริ่มไต่าทางความคิดไปท่านแบ่งเป็นขันห้าเพื่อพิจารณาลูกไม่มีตัวตนนะรูกกระสัตไปรูปนะเวทนา mm hmm. ก็อรหันก็ไม่มีในเวทนานะ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 บางครั้งสาบางครั้งสองปัญ <c oughs> หาเมันอกล้าทานพอละรู้เท่านี้พอรู้ว่าสิ่งต่างนมันมันอิงอยู่กันอย่างไรนั้นทว่าครูเจ้ามีทั้งสิ่งที่สอนตรงๆอย่างง่ายดายนะครับและสลับซับซ้อนมันขึ้นกับจริตนิสัยของผู้เรียนด้วยคนมางคนถ้าไม่เรียนทางปริยัติมาก่อนศรัทธาก็ไม่เกิดในทางภาวนาวแต่เมื่อได้ยินได้ฟังความลุ่มลึกทางปัญญาแล้วเกิดศรัทธาเรื่อมใสปฏิบัติกาด คนเปนคนพร้อมอยู่แล้วครับมีความทุกข์ยากคนชี้ทางเลือกให้ก็เอาเลยดังนั้นเราต้องเข้าใจความหลากหลายอันนี้นะครับนั้นเราไม่ควรประนามมหายานเราเป็นพวกนอกกลิ่นนอกร้อยผมที่ก่อนคิดอย่างนั้นจริงนะเดือนนี้ไม่เลยคนระับพูดด้วใจจริงว่าพุทธศสนาคือหัวใจดวงยกที่เป็นรูปหัวใจนะมันแตกออกเป็นสองเสียงต่อเมื่อ น, นํามาประกอบกันแล้วเขาเงื่อนานนั้นจะเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไร ย่าโทษอาจารย์มหายานที่แต่งพระสูตรขึ้นใหม่บางพระสูตรลังกาอัตานสูตรแต่งให้พระพุทธเจ้าจเสด็จไปกรุงลงกาไปถกปัญหากับทศกัณฑ์เลยครับฟังดูเราสะดุ้งเฮือกเอ๊ะเอากันถึงขนาดนั้นเชีวยวหรือเราจะตกใจต่อวิธีทางอันนี้นะครับลงอ่านข้อความดูเฉพาะว่าโอ้โหคาถามที่ทศกัณถามพระเจ้าในลึกครึ้งนั่นเลยครับถึงแก่นนั่งนั้นเลยครับลังกาอตานสูตรผมผมเรียกร้องใ ห, ให้ให้ความเป็นธรรมางมหายานนะครับ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 กับคู่ครองของตัวยากเสียอย่าล้างครัรักกันมาตั้งหลายสิบชาตินมันจะมันแยก ง, ง่ายได้หรือครั้งหนึ่งพลังของความเชื่อนี้นะครับเคยขำจุนวิถีชีวิตแบบแต่ไทยมานอนแต่มาถึงสมัยนี้เราถูกท้าทายแล้วครับถูกท้าทายจากผู้ที่ต้องการเหตุผลด้านอนาลิติกการคิดเชิงเหตุผลถ่ายเดียวจริงนั้นมีสองสิ่งนะครับสิ่งที่พึงเชื่อวัตถุที่ตั้งของความเชื่อ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 ครยพิสูจน์ไม่จริงเนอะฉันเห็นตอนเธอเด็กๆเนะี่ยเขาไม่ได้รักเธอเลยผมไม่เชื่อผมเลือกเชื่อด้วยนะผมเลือกที่จะเชื่อด้วยครับไม่ใช่ว่าจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปผมเชื่อพระเจ้าจับจะรู้จริงทั้งๆหาให้ผลอื่นไม่ได้นะครับเตุผลของผมมีอยู่ตรงที่ว่าเมื่อวิเคราะห์ดูคําสอนแล้วบริสุทธิ์เจตน า, นาดีต่อมนุษย์เมื่อท่านถูกถามว่าพระองค์เป็นสัพพัญยูหรือคำว่าสัพพัญยูนะครับ ในอินเดียครั้งห น, นึ่นถ้าถามนี้เป็นคําเดียวคําถามว่าคุณเป็นพระเจ้าเล ย, เยรู้ทุกสิ่งทุกขณะพระเจ้าบอกเปลา่าท่านไม่ได้เป็นสัพันยูซึ่งฟังแปลกแปลกหูนะครับเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเรียกองท่านเป็นพผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัพันยูแต่พระองค์ท่านกลับปฏิเสธพรามผู้ถามยังเข้าข้างท่านเองนะก็ย้อนถามว่าก็แล้วเมื่อถูกถามปัญหาทําไมพระองค์ท่านตอบได้ราวก็รู้อยู่ตลอดเวลา ผู้ชอบเปล่าเนท่านอธิบายจิตท่านบริสุทธิ์มาถูกถามปัญหาก็โน้มกระตุกปัญหาปัญหาก็แตกออกตรงนั้นแหละไม่ได้รู้ล่วงหน้าไม่ได้คิดอะไรทั้งวันทั้งคืนนะครับที่จริงท่านจะเคลมมันก็ได้นะว่าท่านรู้มอล่วงหน้าเปลามเขก็เชื่ออยู่แล้วครับแต่ท่านมีเกียรติผมว่าบรรดาศาสดาทั้งหลายมีองค์หนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีไม่ครอบงำเพื่อนเหมือนนั้นบางครั้งท่านสอนเขาก็ไม่เชื่อท่านบอกงั้นก็พักก่อน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 นันพุทธสนาในกลามันล้มไม้ซึ่ ง, งมีความหลากหลายอยู่ในตัวมันเองอย่าตกใจนะครับว่าบางนิกายสอนตรงข้ามกับเราต้องไต่สวนทวนความจนชัดเจนนะครับและทวนความเฉพาะที่ผิวเปลือกผิวหน้าก็ไม่ได้ครับผมมกักจะได้ยินผู้ที่ศึกษาเรื่องวัชรยา น, ต, นตระผิวเผินชอบด่าชอบพนามนะครับเช่นเดียวกับที่ชาวพุทธทู้ไม่รอบรู้ด่าพวกพราม ที่ iscilla, จริงพระเจ้าถ้าไม่ได้ด่าพราหมณ์ท่านสรรเสริญพราหมณ์เลยท่านถ้าเรียกพระอรหันต์ท่านเป็พราหมณ์ที่แท้จริงไม่ทำไปดังนั้นเราเราด่วนได้ไม่ได้ครับถ้าหาเราด่วนได้แล้วแยกแยะปีความเพื่อเพื่อลดเครดิตของนิกายอื่นชื่อเราขาดเมตตากรุณานี่เป็นสิ่งสําคัญและขาดมนุษยธรรมด้วยครับชาวพุทธที่ดีนั้นคือชาวพุทธที่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 พระดุงพุทธศาสนานั้นก็เคยดำเนินนโยบายในการปกครองรัฐจักรวรรดิของท่านด้วยการตัวท่านเองแม้จะเป็นพุทธที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัยนะแต่ว่าให้การอุปถัมภ์ข้าจุนทุกลทัทธิทุกนิกายครับในฐานะเป็นเป็นธรรมะเหมือนกันแต่ต่างระดับมี้คำถามในมิกรฝากครับ อาจารย์มาทั้งหมดเลยนะคะมีข้อสงสัยที่อยากจะขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้นะคะ